มีใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมไม่มีนะไม่มีถ้าไม่เคยฟังเลยก็ฟังยากนิดหน่อยตอนแรกๆกแต่ฟังไปสักช่วงหนึ่งเข้าใจคราวนี้ก็จะเข้าใจไปหมดอนะ่ะไ่ฟังธรรมะที่ไหนก็เข้าใจหมดอนะ่ะเนยความอัศจรรย์ของธรรมะพอเราเข้าใจหลักปฏิบัติแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยไปอ่านพระไตรปิฎกนะั้นก็รู้เรื่อง กระทั่งบางทีสำนักอพิธรรมนี้บางแห่งลูกศิษย์ที่ไปเรียนใหม่ๆเนะให้ฟังซีดีก่อนฟังซีดีหลวงพ่อ น, นี่แหละอาจรู้สภาวะได้มาดูสภาวะเป็นแล้วก็ไปเรียนปริยัตเนี่เรียนง่ายเรียนางพวกเราถ้าฟังหลวงพ่อรู้เรื่องนะไปฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนเทศก็รู้เรื่องใครเทศผิดเทศถูกก็รู้นะตักวันนี้เราต้องเรียน พระพุทธศาสนาอยู่ในภาวะที่ล่อแหลมมากพร้อมที่จะถูกทําลายไปวิธีทำลายมันทำลายมาจากข้างในน่ากลัวกว่าทํำลายจากข้างนอกอีกพระเจ้าท่งเคยพูดถึงมันมีกลองโบราณอยู่อันหนึ่งชื่อกลองอันตะชื่อบันช่างบันเถาะจำยากไอ้กลองลูกเนี้เป็นกลองโบราณกลองไม้ พอใช้เป็นนานๆมันก็เริ่มผุพอผุแล้วเขาก็ตัดเนื้อไม้ที่ผุออกเอาไม้ที่ดีใส่แทนก็ตีไปเรื่อยๆก็ผุอีกก็ป่าอีกสุดท้ายไม่เหลือไม้เดิมอยู่เลยแต่ชื่อมันยังเป็นชื่อเดิมพระพระุทธศาสนาเราก็คล้ายๆอย่างนั้นธรรมะเนี่ยถูกปลอมปนไปเรื่อยๆธรรมะของจริงก็หายไปแต่ชื่อมันยังเป็นพุ่นอยู่ ถ้าพวกเราไม่เรียนไม่ศึกษาก็ามีแต่ความงมงายางเราไม่สามารถรักษาเนื้อแท้ของพระธรรมเอาไว้ได้ต่อไปรุ่นลูกรุ่นห ล, น ล, นลานเราก็ยังมีศาสนาพุทธนะแต่มันไม่ใช่ศาสนาพุทธการทำลายมันมาจากข้างในนี่แหละหน่ากลัวที่สุดเลยสอนธรรมะที่ผิดเพี้ยนสอนการประพฤติปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนเองวิชา ความรู้ก็ผิดจรณะการดำเนินก็ผิดอีกก็ไม่เหลือความเป็นพุ่นอยู่เหลือแต่เปลือกทำไมเราต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้พุทธศาสนาเนื้อแท้ถ้าเราภาวนาเป็นเราปฏิบัติเป็นเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยเป็นศาสตร์ที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยเป็นศาสตร์ว่าด้วยชีวิตจิตใจของเราว่าทาอย่างไรเราจะมีชีวิตจิตใจ อยู่ได้ที่ไหนก็ได้โดยไม่ทุกมันสามารถถอดถอนความทุกข์ออกจากใจได้ไม่โง่ไม่งมงายมีเหตุมีผลไม่ใช่ทำบุญไปเยอะๆแล้วจะได้บุญเยอะนั้นสอนแบบหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ให้หวังอนาคตนะมุ่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันนี้ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันนี้ไม่ใช่ชีวิตอยู่ในชาติหน้า เนื้อคำสอนของพระเจ้ามีประโยชน์มหาศาลเลยมีประโยชน์ในปัจจุบันมีประโยชน์ในอนาคตด้วยถ้าปัจจุบันเราดีอนาคตมันก็ดีมีประโยชน์อย่างยิ่งคือพาให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เมื่อผลนิพพานมีจริงๆแต่ไม่ใช่มีอย่างที่พวกเดลตีสอนกันเป็นโลกโลกหนึ่งอะไรอย่างนี้สภาวะของนิพพานมีลักษณะอย่างไรพวกเราชาวพุทธก็ควรจะรู้เหมือนกัน นิพพานมีลักษณะพรามเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนอย่างไฟนี่มีลักษณะร้อนลมมีลักษณะเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยความโกรธมีลักษณะยังไงนี่มีลักษณะเฉพาะของมันเป็นอาการทำลายล้างขึ้นมาความโลภเป็นอาการที่มันดึงอารมณ์เข้ามามีอาการมีลักษณะสติก็มีลักษณะลักษณะรู้ทันสภาวะ ปัญญาก็มีลักษณะคือเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะสมาธิก็มีลักษณะคือตั้งมั่นนิพพานเองก็มีลักษณะเหมือนกันเพราะเป็นสภาวะธรรมเหมือนกันลักษณะของนิพพานคือสันติสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแตง่งสงบจากทุกข์พ้นไปจากรูปนามพ้นจากดินน้ำไฟลมเป็นความสงบ ท่านบอกต่อไปนะพ้นจากอากาศานัญจยตนะการเพ่งช่องว่างพ้นจากวิญญาณัญจยตนะการเพ่งจิตพ้นจากอากินัญญาชัตนะความไม่มีอะไรเลยพ้นจากเนวสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เนี่ยสิ่งที่พระเจ้าสอนคือนิพพานนี้ถ้าเราไม่เรียนเราก็มั่วซั่วไป นิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งมีทั้งรูปมีทั้ง น, มนขามแล้วก็ขัดกับที่พุทธเจ้าสอนบางคนก็นิพพานเป็นความว่างไปจับเอาความว่างมาเป็นนิพพานอันนั้นแหละคือที่ท่านบอกว่าไม่มีอากาศสานอันใจ ย, ยตนะบางคนบอกนิพพานไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือสิ่งที่ท่านบอกไม่ใช่นั้นมันอากินจัญญายตนะนิพพานคือสันติความสงบ สงบจากอะไรบ้างสงบจากกิเลสสงบจากตัณหาเรียกว่าวิราคะสงบจากความปรุงแต่งทั้งปรุงดีทั้งปรุงชั่วทั้งปรุงความว่างเรียกว่าวิสังขารไม่ปรุงพ้นจากรูปนามเป็นวิมุตต์ไม่มีรูปไม่มีนามพ้นจากความยึดถือความเกาะเกี่ยวนิพพานมีอยู่จริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ไม่เคยหายไปไหน นิพพานเป็นสภาวธรรมอันเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับในขณะที่สภาวธรรมอย่างอื่นเกิดเกิดดับดับความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับความร้อนเกิดแล้วดับความเย็นเกิดแล้วดับความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วดับมีแต่นิพพานเป็นสภาวธรรมที่เที่ยงเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ทุกข์าไม่ถูกบีบคั้นไม่มีอะไรบีบคั้นได้ น, นิพพานเป็นอนัตตา ไม่มีเจ้าของไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เจ้าของนิพพานเป็นสภาวธรรมที่เป็นกลางๆใครมีสติปัญญาก็ไปสัมผัสได้สัมผัสแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจิตที่สัมผัสพระนิพพานมีความสุขที่มหาศาลพ้นจากความเสียดแทงทั้งปวงพ้นจากความดิ้นรนทั้งปวงพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความยึดถือจิตที่เป็นอิสระ มีความสุขเต็มอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองไม่ใช่ความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่น น, นิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งไม่ใช่มีพระพุทธเจ้านั่งเข้าแถวอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ถ้าลําพังพระพุทธเจ้าพูดถึงนิพพานลอยๆก็ยังไม่น่านับถือเท่าไหร่แต่ท่านสามารถบอกวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเข้าไปถึงไปพบไปเห็นพระนิพพานได้เนี่ยความ อาสจรรยของธรรมะอยู่ตรงเนี้นิพพานเองก็เป็นของซึ่งพวกนักปราชถ์บางคนก็คิดึตรรองเอาเนี่ยสภาวะที่สิ้นตัณหาอย่างศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันนะพูดถึงโมกษะความปลดพ้นต้องสิ้นตัณหาแต่เขาไม่มีมรคมรของเขาไม่ใช่อริยมร์เพราะงั้นถึงจะคิดถึงนิพพานได้แต่ก็ไปนิพพานไม่ได้ไปจากนิพพานไม่ได้คำว่ า, าไปสู่พระ น, นิพพานก็ไม่ถูกนะหลวงพ่อใช้คําผิด ต้อเรียกว่าประจักษ์เข้าไปเห็นเข้าไปไปประจักษ์พานิพันธ์ทำไมไม่ใช่คําว่าไปนิพานนิพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกเต็มบริบูรณ์อยู่แล้วไม่มีการไปไม่มีการมามันจิตเราต่างหากที่ไปไปมามาสิ่งที่พวกเราชาวาพุทธต้องเรียนก็คือรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเราก็คือจะต้องไปเห็นพานิพานให้ได้ไม่วันนี้ก็วันหน้า ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าต้องไปให้ได้เรามีเป้าหมายของเรานิพพานนี้เป็นความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะนี่เราจะไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนิพพานนี้เป็นความบริสุทธิ์สิ้นเชิงเลยบริสุทธิ์หมดจดุดเราจะไปสูส่สิงนี้งั้นไม่ใช่เราเป็นชาปุ๊ธก็เป็นกระล่องกระแล่งเลื่อนเลื่อนอยๆไม่รู้ว่าเป็นชาปุูดเพื่ออะไรเนะเป็นชาปุ๊ธเพื่อเราจะพ้นทุกข์สิ้นเชิง เนี่ยคือจุดหมายปลายทางของเราภาวะที่พ้นทุกข์สิ้นเชิงเรีว่านิพพานนั่นแหละวิธีที่จะไปก็ต้องศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่งั้นเราจะโดนหลอกตัวเองก็หลอกตัวเองพวกคนชั่วมันก็มาหลอกคนโง่ต่ออีกหลอกกันเป็นทอดๆรวมทั้งหลอกตัวเองด้วยเพราะเราส่วนใหญ่เราก็อ่อนแออย่างเราอยากมีชีวิตที่อมตะ เราก็เลยไปสร้างภาพนิพพานที่เป็นอมตะสร้างเราอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างมีรูปมีนามที่อมตะก็ไปสร้างนิพพานมีรูปนามอมตะนี่สนองกิเลสเป็นความอ่อนแออย่างยิ่งเลยแล้วคนชั่วร้ายมันก็เอาความอ่อนแอนี่มาเป็นเครื่องมือหากินหลอกลวงเราอีกทิ้งต้องศึกษา <S <S สิ่งที่พระเชษฐเจ้าสอน ถลวงพบอกให้อย่างหนึ่งถ้าเรารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์นะโดยเฉพาะรู้แจ้งในกองทุกเนีถ้ารู้แจ้งในกองทุกเมื่อไหร่นะก็จะละสมุ ท, ทัยเมื่อนั้นสมุทัยคือตัวตันหาถ้าละสมุทัยคือตัวตันห า, นาได้เมื่อไหร่ก็จะแจ้งนิโรธคือประจักษ์ปานิพานเมื่อนั้นเนี่ยคือหลักที่พระเทเจ้าสอนรู้ทุกเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือนิพานเมื่อนั้น แจ้งนิโรธหรือแจ้งนิพพานเมื่อไรตรงนั้นแหละอริยมรรคปรากฏขึ้นตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนั้นนั้นจุดสำคัญจะต้องหัดรู้ทุกข์ให้เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาคือการรู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะเป็นอันถทุกขะโดยอัตโนมัติถ้าสมุทัยคือตัณหาทุกขะนิโรธคือนิพพานจะปรากฏ อ น, นิโรธอ น, นิพานนะเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาเป็นวิรากะสิ้นตัณหาง า, งานที่พวกเราจะเรียนนะคือการรู้ทุกข์การจะรู้ทุกข์ก็ต้องมีปัญหาแล้วประเด็นแรกในทุกข์คืออะไรทุกข์คืออะไรจะรู้อย่างไรรู้แล้วมีผลยังไงผลตอบไปแล้วถ้ารู้ทุกข์แล้วมันละสมุทยัย ละสมุทัยแล้วมีผลยังไงเม่อแจ้งนิโรธแจ้งนิพพานสิ่งที่เรียกว่าทุกข์มันประนีตลึกซึ้งกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจคนทั่วไปก็เข้าใจได้แต่อาการปรากฏของทุกข์แต่ว่าแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ถูกไม่ถูกอันแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่าไรราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ท่านว่าอย่างนี้อันนี้เป็นอาการที่ทุกข์มันแสดงตัวอย่างความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นอาการที่ทุกข์แสดงตัวออกมาทางร่างกายทางรูปธรรมความประสบกับสิ่งที่ไม่รักความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ปรารถนาและไม่สมปรารถนาความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความขับแค้นใจความไม่สบายใจนี่เป็นอาการปรากฏของทุกข์ที่แสดงทางใจแต่เบื้องต้นท่านสอนอย่างนี้ก่อนท่านสอนความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นทุกขนะ์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์น ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจท่านสอนเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะคนทั่วๆไปมองเห็นตามได้ง่ายแต่สุดท้ายท่านสรุปลงมาในประโยคหนึ่งนะบอกว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้านี้คือตัวทุกสิ่งที่เรียกว่าขันทั้งห้าคำว่าขันก็คือคำว่าส่วน ภาษาไทยใช้คำว่าส่วนเป็นส่วนส่วนภาษาฝรั่งใช้ division เป็นส่วนส่วนท่านบอกว่าโดยสรุปเลยขันทั้งห้าคือตัวทุกเพราะ้นการรู้ทุกคือตัวการรู้ขันทั้งห้านั่นเองขันทั้งห้าย่อลงมาก็คือรู ป, ปรธรรมนามธรรมา ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรารู ป, ปรธรรมอย่างนี้ร่างกายอย่างนี้ที่มองเห็นอยู่นี่เป็นตัวรูปรธรรมประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ ดินน้ำไฟลมนามธรรมาก็ประกอบด้วยนามสี่คือเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจาได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจิตนั่นแหละรูปธรรมนะแยกลงไปก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้สี่อย่างนามธรรมาแยกออกไป เวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณได้เสียงการรู้ทุกก็คือการรู้รูปนามนี่แหละแต่ถ้ารู้รูปนามแล้วต่อไปเราจะเห็นนะว่าทุกตัวจริงนั้นเกิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ใดที่เกิดขึ้นมานี่คือตัวทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปถ้าภูมิจิตภูมิธรรมเราเห็นมาถึงจุดนี้แล้วก็เรียกว่ารู้ทุกแจ่มแจ้งแล้ว รู้ทุกแจ่มแจ้งสมุทัยคือตันหาจะไม่มีอีกต่อไปละตันหาจะถูกละไปพร้อมๆกับการรู้ถูกแจ่มแจ้งตรงที่รู้แจ่มแจ้งนั่นแหละอริยมรรคก็เกิดเป็นอริยมรรคชั้นสูงสุดเลยชื่ออรหัตตมรรคงั้นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาเนี่ยยังรู้ทุกไม่แจ่มแจ้งพระอรหันตรู้ถูกขแจ่มแจ้งถึงไม่เกิดอีก นิพพานแน่นอนพระโสดาสกตาคาพระนาคารู้ทูกยังไม่แจ่มแจ้งยังเกิดอีกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะเรื่องสําคัญที่สุดในคําสอนของพุทธเจ้าเรื่องอริยรรสัจสีถ้าอริยสัจสียังมีอยู่พระพุทธศาสนายังมีอยู่ถ้าอริยรรสัจสี่สูญไปพระพุทธศาสนาสูญไปยังเหลือแต่ทําทานถือศีลอะไรเนี้ยศาสนาอื่นก็มีทําทานถือศีล หรอนั่งสมาธิศาสนาอื่นก็มีนั่งสมาธินะแต่การเจริญปัญญาคือการรู้ทุกเนี่ยมีเฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่พวกเราต้องเรียนสิ่งที่เรียกว่าทุก์คือรูปกนามกายใจเรานี่เองนะที่จริงแล้วคําว่ารูปนามกับคําว่ากายใจเนี่ยไม่ตรงกันทีเดียวหลวงพ่อใช้โดยอนุโลมเอาก่อนนะต่อไปแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันถูกต้อง อย่างร่างกายเราเนี้ยประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกรูปมีอะไรรูปมีดินน้ำไฟลมในเส้นผมผมขนเล็บฟันหนังในกายเราเนียแค่ผมเส้นเดียวนยีมีดินน้ำไฟลมนแต่ว่าจะพูดถึงขนาดนี้นะคนเริ่มต้นใหม่ผงไม่เรียนธรรมาอีกต่อไปละมันยากเกินเอาง่ายๆก่อนเรียกว่ากายกับใจไปก่อน แต่ว่าทําความเข้าใจไว้ก่อนนะคำว่ากายกับใจเนี่ยไม่ตรงกับคําว่ารูปนามทีเดียวหรอกอย่างคําว่าใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนามธรรมาทเท่านั้นเองเป็นส่วนของวิญญาณมังขันยังมีตัวอื่นๆแต่ทำไมใช้ใจตัวเดียวใจตัวเดียวอยู่ไม่ได้จะมีใจก็ต้องมีนามังขันตัวอื่นประกอบด้วยต้องมีเวทนามีสัญญามีสังขารประกอบด้วยเสมอหลย กันเลเหมา out, เหมาเอาเพื่อความเข้าใจง่ายเรื่องมีกายมีใจพวกเรายังไม่เห็นว่ากายนี้คือทุกข์ล้วนๆใจนี้คือทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นเนี่ยนเราจะเป็นพระอรหันต์นะพวกเราเห็นได้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอย่างนี้ไหมเราเห็นไหมว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่ยเราเห็นอย่างนี้เพราะงั้นเราเกิดอีกแน่นอนถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจะรู้เลยว่า นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปกายนี้มีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขจิตนี้มีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขงั้นเราจะมาเรียนจนเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจว่ามันคือตัวทุกข์เราจะมาเรียนจนเราเห็นทุกข์นะนฟังเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจนยยังไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐาน จำให้ดีนะยังบางคนไปดูท้องพองดูท้องยุบบอกนี่เข้าคอสวิปัสนาดูท้องมันไม่ใช่วิปัสนะาจะเห็นวิปัสนาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเห็นรูปนามเฉยเฉยไม่ได้บอกว่าท้องเป็นรูปนี่นั่งคิดว่านี่นี่รูปพองนี่รูปยุบคิดเอาอย่างนี้นะก็ยังไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสนา สิ่งที่เราจะเรียน3มวันนี้นะคือเรียนวิธีที่จะรู้ไตรลักษณ์ของรูปนามเรียนวิธนะีที่จะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเหล่านี้แหละแท้จริงแล้วไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่ในกายในใจตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะเราหลงไปหาสิ่งอื่น เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจเราหลงไปพอเราหลงไปเรามีกายเราลืมกายมีใจเราลืมใจเราก็ไม่สามารถเห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจมันแสดงใจรักได้เพราะเราลืมกายลืมใจไปแล้ะเวลาใจลอยมีร่างกายก็ลืมใช่ไหมล้วจะไปเห็นหรือว่าใจรักอยู่ในร่างกายร่างกายเรายังลืมไปเลย อีกพวกหนึ่งก็ไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะหรือเพ่งอยู่ที่จิตบอกว่านี่รู้รูปนามอยู่เป็นมิปั ส, สนามไม่เป็นรู้รูปนามก็ยังเป็นสมถะ น, นะถ้าหลงไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่หลงออกข้างนอกไปเลยเรียกว่าย่อหย่อนเกินไปถ้านั่งจ้องอยู่ที่กายนั่งจ้องอยู่ที่ใจเรียกว่าตึงเกินไปจะไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างเวลาเราจงใจดูจิตนะถ้าหลวงพ่อบอกอ้าวทุกคนดูจิตทุกคนก็จ้องลงไป สามารถจิตเป็นไงไม่มีอะไรเลยว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเลยดูอย่างนั้นไม่มีอะไรให้ดูเลยไปดูกายแล้วไปจ้องอยู่ที่กายก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายอย่าดูจิตแล้วไปจ้องอยู่ที่จิตก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ของจิตค่อยๆเรียนนะค่อยๆเรียนทางสายกลางไม่ลืมกายไม่ลืมใจไม่บังคับกายไม่บังคับใจ แค่รู้สึกกายรู้สึกใจงั้นเราจะมาฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วเราถึงจะเห็นไตรลักษณ์การจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้ก็ต้องพัฒนาเครื่องมือในการรู้สึกกายรู้สึกใจเครื่องมือที่สําคัญมีสองตัวตัวที่หนึ่งสติตัวที่สองสัมมาสมาธิเครื่องมือสองตัวนี้เป็นตัวที่เราจะพัฒนาขึ้นมาถ้าเรามีสติ มีสัมมาสมาธิแล้วเราจะเกิดปัญญาคือจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจได้ต้องรู้รูปนามนะรู้สิ่งที่เรียกรูปนามบางทีเราก็กระจายคำว่ารูปนามออกไปก็เป็นขันหะขันหะก็มีรูปหนึ่งมีนามสี่บางทีกระจายออกไปมุมอื่นก็ได้เป็นอายตนะหตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใจเป็นนาม แต่ที่ผู้เจ้าสอนไว้ทั่วๆไปเบสิกเลยสำหรับคนทั่วๆไปเนี่ยสอนแยกขันห้าท่านสุดบอกสังคิเตนะปัญจนะุปาทานักขันธาทุกขาโดยสรุปขันห้าคือตัวทุกข์แล้วหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่ละนะพวกเราไม่อยากรู้ทุกข์เราอยากละทุกข์ท่านบอกให้ละสมุทยัยละความอยากเราอยาก อยากอะไรอยากละทุกเรามีความอยากอยากอะไรอยากละทุกพระพุทธเจ้าบอกให้ละความอยากให้รู้ทุกเนึกกลับหัวกลับหางหมดเลยเริ่มจะไปบรรลุมรรคผลได้ยังไงนึกออกบ้างไหม อ, อ, อยากละทุกท่านให้ละความอยากแล้วก็ให้รู้ทุกบางคนทําบุญนะก็อธิษฐานนะเชิญประคุณขอให้ห่างไกลความทุกข์ร้อยโยต์แสนโยน์เลยอธิษฐานอย่างนี้นะ โอ้ยห่างไกลความทุกข์เหลืออยากจะได้อะไรอยากได้สวรรค์น่ะอยากได้พรหมโลกมีความสุขเวลาจะทําบุญทําทานเขาขอให้มีความสุขเยอะๆไปเป็นสวรรค์ไปอยู่ ส, สวรรค์ไปเป็นเทวดาถ้าเป็นนักปฏิบัติเราจะรู้อย่างหนึ่งนะช่วงไหนที่ชีวิตมีความสุขช่วงนั้นการปฏิบัติมักจะ ย, ย่อหย่อนมักจะ ย, ย่อย่อนช่วงไหนที่ชีวิตมีปัญหาเนี่ยจะปฏิบัติอย่างกับพี่กระเป๋าเลยเพราะว่าไม่มีที่พึ่งอื่นแล้ว ต้องสู้ตายไม่จะไปเกลียดทุกข์นะหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ถ้ารู้ทุกข์แล้วมันจะละสมุทัยงั้นทุกข์ก็บอกแล้วนะคือรูปน้มรู้รูปรู้น้มรู้คาว่ารู้รู้ยังไงรู้อย่างที่มันเป็นเห็นรูปอย่างที่รูปมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์เห็นน้มอย่างที่น้ามันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์ รู้จักคำว่าไตรลักษณ์ไหมไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะอนิจจังคืออะไรของไม่เที่ยงคืออะไรของไม่เที่ยงก็คือสิ่งที่มันมีอยู่นะแล้วมันก็ไม่มีของที่เคยมีมันหายไปนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงของที่เคยมีอยู่มันหายไปนะมันแตกสลายไปเนี่ยมันไม่มี นี่คืออนิจจังทุกขังคืออะไรของที่กําลังมีอยู่เนี่ยกลังถูกบีบคั้นให้หายไปให้สลายไปนี่เรียกว่าทุกขังอนัตตาเป็นยังไงอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีเพราะมันมีเหตุมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมามันดำรงอยู่ชั่วกําลังของเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับ ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของใครๆทั้งสิ้นเทวดาอินฟลูมอะไรก็บังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับนี่คือคำว่าอนัตตาอา น, นิจจังของที่เคยมีแล้วมันก็ไม่มีมันหายไปแล้วนะทุกขังสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่นี่กำลังถูกบีบคั้นให้สลายไปให้หายไปอ น, นัตตาสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะไม่มีสั่งไม่ได้ เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งเนี่ยเราจะมาเรียนเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ในรูปธรรมในนามธรรมรูปธรรมนั้นจะเห็นไตรลักษณ์บางตัวได้ชัดบางตัวเห็นไม่ชัดเห็นยากรูปธรรมเห็นอ น, นิจจังยากเพราะรูปมันอายุยืนนะแต่ตัวที่ดูง่ายในตัวรูปคือตัวทุกข์ร่างกายเราถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกหายใจออกแล้วก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้ามันบีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถอยู่ในอิริยาบถใดมันก็ทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้มันปวดมันเมื่อยมันเจ็บต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีไปเรื่อยๆเยนี่ยการที่เราเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตัวเองนะมันปิดบังการเห็นทุกข์ในกายลงไปเนี่ยถ้าเรามีสตินะเคลื่อนไหวเร า, ารู้สึกรู้สึกเรื่อเราก็จะเห็นนะที่มันเคลื่อนไหวเพราะทุกข์มันบีบคั้นนะ ในร่างกายเนี่ยจะดูอีกตัวหนึ่งได้ง่ายคืออนัตตาอนัตตาของกายก็คือไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราสั่งไม่ได้สั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็าไม่ได้สั่งไม่ให้ผมงอกไม่ให้ฟันหักไม่ให้ตีนกาขึ้นทำไม่ได้จะดูไปเรื่อยมันเป็นแค่วัตถุมันเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเข้าทางปากบ้างเข้าทางจมูกบ้างออกทางจมูกบ้างออกทางผิวหนังบ้าง อ, อกทางตะวันหนักตะวันเบาบ้างมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเป็นวัตถุเป็นข้อธาตุความจริงของกายความจริงของนามธรรมที่ดูง่ายนั่นคืออนิจจังกาบอนัตตานามธรรมนั้นเกิดดับรวดเร็วเพราะงั้นเห็นอนิจจังง่ายความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนอยู่เป็นขณะขณะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาดูง่ายแล้วอนัตตาในแง่ที่ว่าเราบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่สุข ห้ามทุกมันก็ยังทุกสั่งให้ดีมันก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็ยังชั่วสั่งมันไม่ได้เป็นอนัตตานี่เราจะหัดดูนะจะดูถ้าคนไหนถนัดดูรูปก็เห็นว่ารูปนี้มันทุกรูปนี้ไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุถ้าถนัดรู้นามธรรมก็เห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเห็นแต่การบังคับไม่ได้เนี่ยดูไปเรื่อยเบื้องต้นจะดูรูปหรือดูนามก่อนก็ได้ แล้วแต่จริตนิสัยแล้วแต่จริตนิสัยนะไม่ใช่แล้วแต่ความชอบนะคนละเรื่องกันสิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆเรียนนะนี่หลวงพ่อค่อยๆพาพวกเราบีมมาสู่จุดที่จะนําไปสู่การปฏิบัติแนละว่าเราจะต้องมาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไตรลักษณ์ที่ดูได้ง่ายในรูปคือทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ที่ดูได้ง่ายในนามคืออนิจจังอนัตตานะตอนนี้ไปกินข้าวก่อน นี่หมดเลยครับ